สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีด้วยนะคะกลับมาเจอะเจอกับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางช annel พระเจอผีได้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องเล่าของเราเรื่องแรกนะคะถูกส่งเข้ามาทาง f a Facebook f a n p a g e พระเจอผีนะคะแล้วก็ก่อนอื่นบีเองก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังด้วยว่าคลิป แต่ละคลิปในช่องของเราเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะดึงไปเผยแพร่ทางช่องอื่นได้ทาง Facebook ทาง YouTube ช่องอื่นได้แต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะคะว่าต้องนำลิงก์นะคะที่ไปที่มาก็คือลิงก์ต้นฉบับของช่องเนี่ยเอาไปแปะให้ด้วยนะคะ เรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังถูกส่งเข้ามาจากคุณ JJ Story นะคะบอกว่าเป็นแฟนรายการพี่ B ีมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะวันนี้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบที่บ้านนี่จะเป็นบ้านแบบไม้ขัดนะคะเป็นไม้ขัดเตะไม้ขัดเตะถ้าพี่ B ีเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นไม้แบบแบบสารอะไรประมาณนี้หมคะคือสมัยนั้นลาบากมากหน้าหนาวมาเนี่ยนอนกันแทบไม่ได้เลย ช่วงที่เจอประสบการณ์หน้าหนาวหน้านี้เลยค่ะจำได้ดีตอนนั้นดูหนังกับแม่อยู่แล้วมันดึกมากแม่ก็เลยบอกให้เข้ามุงนอนก็เลยเข้าไปนอนเด็ก น, นะคะนอนคนเดียวคืนแรกก็กลัวนอนแบบหลับตาเนี่ยคือหลับตาค้างแล้วก็มองทางซ้ายทีทางขวาทีทางนู้นทีมันเหมือนกับคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็ก J จเจสตอที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็มองไปทางตู้ที่ใส่เสื้อผ้าที่อยู่ทางปลายเท้าเห็นเป็นจุดแสงสีขาวคือมันลอยออกมาจากข้างนอกทะลุฝาบ้านเข้ามาเลยนะคือพอมันทะลุฝาบ้านเข้ามาเท่านั้นแหละค่ะมันขยายใหญ่เท่าหัวจริงๆเลยมันเป็นหัวคนเลยนะคะลอยแล้วก็มองมาที่เรา หยุดมองแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ทะลุผ้าม่านกั้นประตูห้องไปเท่านั้นแหละค่ะพี่บีหนูวิ่งทะยานออกไปหาแม่ที่ดูทีวีอยู่ข้างนอกเลยค่ะแม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยวิ่งมาทําไมหน้าตาตื่นแบบนี้ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังว่าเนี่ยผีมันมีแต่หัวลอยมาหันมามองหน้าหนูด้วยคุณแม่พอฟังแกก็ขับค่ะบอกว่าจะบ้านเหรอผีที่ไหนมันจะมาบ้านเราเห็นจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อ แม่ไม่เชื่อค่ะคุณผู้ฟังแถมให้ไป น, นอนอีกใครมันจะนอนล่ะคะกลัวตัวสั่นขนาดนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อปีกว่ า, วานี้เองเกิดเมื่อเจ้าของเรื่องนะคะได้คลอดลูกคนที่สองช่วงที่อยู่โรงพยาบาลคืนแรกไม่เป็นอะไรค่ะนอนสบายอาบน้ําสบายก็มีลูกไปเข้าห้องน้ําบ้างแต่พอมาคืนที่สองนี่สิคะเรื่องมันเกิดแล้วก็สังเกตว่าตัวเองตื่นมาเข้าห้องน้ํานี่สองคืนและ ตอนตีสามทุกคืนคืนแรกก็เฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่าคิดในใจนะคะคิดแค่ว่าตีสมผีออกผีจะหลอกไม่เนี่ยอีกใจก็คิดเออคนเยอะแยะไม่มาหลอกหรอกมั้งก็เข้าไปในห้องน้ำก้าวแรกที่เข้าไปรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมองมาที่เราแต่ก็เฉยๆนะคะทําเป็นแบบไม่รับไม่รู้แล้วก็ผ่านคืนแรกไปคืนที่2ค่ะตีสามอีกแล้ว ใจก็คิดนะะว่าเอา้าตีสามอีกแล้ววันนี้จะรอดไหมเนี่ยปวดชี่ค่ะไม่ไปก็ไม่ได้ก็เลยตั้งใจดีสู้เสือเดินไปแบบไม่ต้องเรียกแฟนเดินไปเลยเข้าห้องน้ำไปเหมือนเดิมแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆนะฮะเหมือนมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เรารู้โดยสัญชาตญาณของเราว่ามันคืออะไรคือห้องน้ำเนี่ยมันจะมีสามห้อง ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะเข้าห้องที่สามคือห้องสุดท้ายติดกำแพงตึกเพราะว่าเคยเข้าห้องที่2ห้องกลางแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่าถูกไล่ให้ออกไปภาพที่เขามาให้เห็นเนี่ยคือมันเห็นว่าเหมือนเหมือนขาเนี่ยมันลอยประมาณว่าผูกคอตายในห้องเนี่ยนะคะพอรู้แบบนั้นก็เลยรีบทาธุระแล้วก็รีบออกไปเลยชียังไม่เสร็จเลยพอคืนที่3ตื่นตีสมอีก เวลานี้ทุกทีนะะมันมาปวดฉี่อะไรก็ไม่รู้จะไม่ไปก็ไม่ไหวก็เอาวะไปก็ไปพอเข้าห้องเดิมค่ะห้องที่สามแต่ว่ามันมีคนเคาะประตูเคาะแบบรอบแรกก็เลยตะโกนเบาๆบอกว่ามีคนอยู่ค่ะนึกในใจตั้งว่างตั้งสองห้องนี้ทำไมไม่เข้าวะจะมาเคาะทำไมห้องเราอีกแป๊บหนึ่งค่ะก็มาเคาะอีกแหละเคาะแบบไม่พอใจเลยค่ะรอบนี้ก็เลยตะโกนบอกไปว่า มีคนเข้าห้องอยู่ค่ะเขาเหมือนไม่พอใจเหมือนกันนะแล้วเขาก็ต้องการที่จะเข้าห้องห้องน้ำเหมือนกันน่แต่เหมือนเขาไม่รอนะคะเขาก็เลยเข้าห้องกลางได้ยินเสียงปิดประตูดังปั้งเลยนะคะก็พอดีกันกับเจ้าของเรื่องเศรษฐุระก็ได้ยินเสียงราดน้ำก็เลยออกมาพอดีเจอผู้หญิงใส่ชุดคนไข้เดินออกมาจากห้องอาบน้ำแล้วก็ยิ้มให้นะคะเจ้าของเรื่องก็เลยยิ้มตอบก็เดินตามเขาไป จังหวะเดียวกันก็เลยมองไปที่ห้องน้ำห้องที่สองคือห้องกลางที่มีคนเข้าห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าพื้นห้องน้ำคือแห้งสนิทเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งน้ำกระเพื่อมเสียงเปิดประตูออกก็ไม่ได้ยิน ก็พอดีว่าเจ้าของเรื่องนี่คือเสร็จธุระแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะคะก็มาสังเกตตอนที่ออกมาแล้วก็เลยมองที่กระจกพอดีมันก็จะเป็นกระจกด้านหน้าห้องน้ําถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีประตูห้องน้ําที่มันอยู่ตรงข้ามกันกับกระจกก็เลยมองไปในกระจกค่ะทีนี้คือสิ่งที่เห็นคือมันมีผู้หญิงผอมๆยืนก้มหน้าผมเนี่ยยาวปิดหน้ามองไม่เห็นหน้าเลยคุณผู้ฟังเจ้าของเรื่องบอกให้เราก็โอ้โหโดนแล้วแต่ก็ยังดีวะมีเพื่อนเดิน ผู้หญิงคนนั้นเดินนำหน้าเขาก็เปลี่ยนรองเท้าเราก็เปลี่ยนก็เดินตามออกมาแล้วก็หันไปมองที่กระจกไม่มีผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วเราก็หันมาถามผู้หญิงคนที่เดินนำหน้าว่าน้องห้องไหนคะหันมาถามผู้หญิงคนนั้นเอา้าหายไปอีกแล้วหายไปทั้งสองเลยก็คิดว่าเอา้ายังดีนะว่าเดินเข้าห้องไปหรือเปล่าเพราะว่าห้องที่อยู่เนี่ยเป็นห้องรวมเดินมาพร้อมกันไม่มีทางค่ะ ที่จะตามไม่ทันก็เลยรีบเดินไปดูไม่ห่วงแผลเลยดูทุกห้องปรากฏว่าไม่เจอค่ะไม่มีผู้หญิงคนนั้นเลยถึงบางอ้อเลยว่าโดนสองชั้นเลยเนี่ยโดนทั้งผีที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำยืนอยู่ในห้องน้ำที่มองเห็นในกระจกเจอทั้งแบบเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกันเดินตามหลังกันออกมาด้วยโอ้นึกว่ามีเพื่อนเนาะเรื่องนี้อ่ะขอบคุณ JJ Story ค่ะถ้าใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย หลอนน่าดูเลยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมบรรยากาศที่โรงพยาบาลเนี่ยคือมันน่ากลัวนะลองไปเข้าห้องน้ําตอนดึกๆ ด, กดูต่อให้เป็นห้องน้ํารวมหรือห้องน้ําในห้องน้ําพิเศษก็ตามเถอะนะคะเพราะว่าบีเนี่ยเคยมาแล้วเคยไปเฝ้าคุณแม่ตอนที่คุณแม่ไม่สบายแต่ว่าณปัจจุบันคุณแม่เสียไปแล้วก็เลยพอจะทราบนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างไรแล้วยิ่งถ้าเป็นห้องน้ําในโรงพยาบาลรัฐแล้วล่ะก็นะไม่ต้องพูดถึงเลย เรื่องของบรรยากาศแล้วก็เรื่องของความสยองนะคะอะขอบคุณสำหรับเรื่องแรกด้วยโท่นึกว่ามีเพื่อนก็เพื่อนไงเพื่อนผีด้วย เรื่องต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สองที่บีจะเล่าให้ฟังนะคะจากทางด้านของ Facebook แฟนเพจพระเจอผีเช่นกันนะคะส่งมาจากพี่ช็อกโคล่าเมเยอร์นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยและก็เรื่องต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อาจจะมีคำหยาบแต่ไม่ใช่คำหยาบที่แบบว่าใช้ด่าใช้อะไรกันเป็นคำหยาบคลายที่เรียกกันในบรรดาเพื่อนๆนเพื่อความสมจริงเดี๋ยวบีก็จะเล่าตามที่พี่เขาเขียนมากันลกันจากพี่รันนะคะ อายุตอนนี้พี่รันอายุ33ปีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ12ปีที่แล้วเกี่ยวกับเพื่อนสนิทมากๆแล้วก็คนเดียวที่สนิทเลยเรื่องมีอยู่นะคะว่าคุณรันเนี่ยมีเพื่อนสนิทชื่อคุณมดคุณมดเป็นสาวบาส่วนคุณรันเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะเป็นคนครัวค่ะคุณมดเนี่ยก็จะเป็นคนที่สวยนะแต่ว่าจะเจ้าเนื้อไปนิดนึง สนิทสนมกันมากมดก็ไม่เคยสมหวังในความรักสักกีนึงสถานะทางบ้านของมดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณมดเองก็ไม่มีพ่อแม่ก็อยู่กับยายคือขออภัยค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็อยู่กับยายทุกครั้งที่คุณมดได้เงินจากร้านหรือว่าคาดริ้งเยอะๆคุณมดก็จะซื้อของกินของใช้ไปให้ยาย คุณมดเองมีน้องชายคนหนึ่งค่ะยังเล็กมากในตอนนั้นนะคะคุณรันกับคุณมดผ่านอะไรหนักๆมาด้วยกันทั้งอดทั้งทนแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดความฝันต่างกันแต่ว่าไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะคะคุณมดนี่ชอบฝันว่าสักวันหนึ่งก็อยากเจอผู้ชายรวยๆแล้วก็รักมดจริงคำสนทนาของรันแล้วก็มดก็เลยเกิดขึ้น ต่อไปนี้จะเป็นคําสนทนานีคะคุณผู้ฟังไม่ต้องงงคุณรันแล้วก็คุณมดพูดคุยกันซึ่งอาจจะมีคําหยาบคายเป็นเป็นคำสรรพนามเรียกแทนกันว่าเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะคะคุณรันค่ะพูดกับคุณมดบอกว่ามดกูว่ามึงเลิกฝันบ้าบอรเรียนกศนให้จบเหรอะจะได้ทํางานโรงงานได้หรือว่าไปจากที่นี่กูนี่เห็นแขกที่ร้านเม่นโคตรหื่นมึงจะเสียหายนะเว้ยคุณมดก็เลยบอกว่ามึงก็บ้าบอคิดอะไรไปอีกและ กูเรียนไปก็เท่านั้นแหละกูชอบจะอยู่แบบนี้มากกว่ามึงก็มัวแต่อยู่ในครัวมึงจะรู้อะไรกูถามจริงนะรันมึงชอบทําอาหารแล้วทาไมมึงไม่ไปเรียนละ่ะบ้านมึงก็มีตังส่งนี่เอ้าอีนี่มาย้อนกูอีกไปเรียนแน่แต่กูขอหาประสบการณ์ก่อนดีวะเออกูไม่ยุ่งกับมึงและขอให้เจอก็แล้วกันผัวรวยๆของมึงอะ่ะไม่ใช่จ่ายให้ผู้ชายจนลืมตัวเองนะมึงนะนี่กูอะมึงจ่ายบ้างอะไรบ้างก็ต้องชดใช้นะเว้ย เออกูใช่แน่แต่ตอนนี้กูยืมต่อไปอีกนิดนึงนะอีเพื่อนคุณมดก็หัวเราะแบบสาใจจนถึงวันที่เราสองคนเนี่ยค่ะต้องจากกันไปไกลแสนไกลคุณรันต้องไปทํางานแล้วก็ไปอ่าขออภัยะไปเรียนทําอาหารแล้วก็โชคดีที่มีงานสอนทําอาหารเข้ามาบ้างจนถึงวันที่ต้องบินด้วยตัวเองก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะไปทํางานในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สมุยซึ่งเป็นร้านใหญ่มาก คุณรันก็อยู่ในครัวอีกตามระเบียบอยู่ร้านนี้ประมาณเกือบปีจนวันเกิดคุณโมดค่ะกล่าวว่าเดี๋ยวค่อยโทรไปหามันก็แล้วกันตอนเลิกงานอ๋อคุณรันบอกว่าคุณรันเลิกงาน4ี่ทุ่มนะเพราะว่าครัวปิด3ามทุ่มกว่าจะเคลียร์ครัวเสร็จก็ประมาณสี่ทุ่มพอดีพอเลิกงานก็ออกมารอเพื่อนที่จะแว่นไปส่งที่หอค่ะพอเพื่อนมาคุณรันกับเพื่อนหคนนะคะรวมคุณรันไปด้วยนี่ก็เป็น6พอดี ก็แวะห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อเล่นไพ่กันตามประสาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายดอกจันไว้ข้างล่างด้วยนะคะคุณรันกับเพื่อนก็นั่งนับเลขกันไปค่ะถึงห้องเพื่อนประมาณสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าไม่ไกลจากร้านเนา ะ, นะก็สามารถที่จะเดินไปได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณรันอยากจะไปถึงให้มปนเร็วอยากจะนั่งแว้นไปอย่างนี้ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะจนกระทั่ง5้าทุ่มกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็นั่งนับเลขกันไป จนสักพักนึงมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณรันก็เลยพูดกับเพื่อนๆที่นั่งเล่นด้วยกันบอกเฮ้ยมึงเพื่อนกูโทรมาจากลาดรีว่ะเพื่อนในวงชื่อก้อยก็เลยบอกรับดิเปิดโฟนเลยจะได้เล่นไปคุยไปห้ามออกจากวงนะมึงเออเดี๋ยวกูเปิดโฟนก็ได้เดี๋ยวกูไม่ได้ลืมนะกูจะโทรไปตอนมึงเป่าเค้กไงเบิร์ดเดย์เลยนะเพื่อนไม่ได้คุยกันเลยนะมึงกับกูเนี่ยยุ่งๆว่ะแต่ว่าแต่มึงเหอะได้ยังผัวด้วยๆอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นสนทนากับโทรศัพท์แล้วเนี่ยค่ะคุณมดก็เลยบอกเออไม่ได้คุยกันเลยนะกูคิดถึงมึงมากกูก็เหมือนเดิมหาผัวยังไม่ได้เลยคงไม่ได้อีกตลอดการคุณมดก็หัวเราะเบาๆคุณรันก็พูดคุยกันกับคุณมดผ่านทางโทรศัพท์ไปก็หัวเราะคิกคักคิกักันไปตามประษาเพื่อนมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือนึงก็จ่วบไพ่ไปนีคะคุณมดก็เลยพูดมาบอกว่ารันกูไปหามึงได้ปะเพื่อนในวงก็เลยบอก พูดแซกขึ้นมานะบอกมาดีที่นี่สนุกนะคุณรันก็เลยบอกเออมาดิกูนอนคนเดียวแต่กูเลิกงานดึกนะมึงจะเหงาวะดิมาพักบ้างก็ดีที่นี่ทะเลสวยแต่คนรวยไม่มีนะมึงแล้วก็หัวเราะชอบใจคุณมดก็เลยบอกเออกูรู้และกูคงไม่หาแล้วล่ะกูเหนื่อยแล้วว่ะพอแค่นี้ดีกว่ากูเหงาแล้วก็คิดถึงมึงมากสักวันกูคงได้เจอมึงถ้ากูไม่ตายก่อนกูเอาหัวสิกรรมให้มึงแล้วมึงก็ต้องเอาหัวสิกรรมให้กูด้วยนะรันเอ้าอีหานี่ อยู่ๆก็จะลาตายนี่มึงยังไม่ได้ใช้ใกูเลยนะเมื่อไหร่จะคืนเออๆก็ไม่โกรธหรอกเป็นเพื่อนกันกับมึงตลอดไปแหละแต่ว่าตอนนี้กูโดนแดกเพราะมึงนะอีมดยังไงกูขอให้มึงสมหวังในผัวรวยของมึงนะแค่นี้นะเดี๋ยวกูจะได้ขอแก้ตาแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะและคืนนั้นก็ผ่านไปค่ะคุณผู้ฟังจนรุ่งเช้าคุณรันก็ตื่นมาทํางานตามปกติแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากใครสักคนหนึงจากโรงพัก บอกว่ารู้จักคุณมดไหมเป็นอะไรกับคุณมดคุณรันก็ตอบกลับไปบอกว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันแล้วก็ถามทางปลายสายทางนูนน้นนะคะบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะทางนู้นเขาก็เลยบอกว่าคุณมดตายแล้วตอนสองทุ่มเมื่อคืนติดต่อใครไม่ได้เลยเพิ่งได้เบอร์จากโทรศัพท์ผู้ตายเมื่อเช้านี่เองเพิ่งหาเจอโทรศัพท์ตกไปไกลมากตอนรถชนคุณรันได้ยินแค่นั้นละค่ะเออกินไปเลย แล้วถ้ามดตายตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มใครวะมดตายเพราะขับรถชนนะคะคุณผู้ฟังณนะปัจจุบันนี้คุณรันเองก็ยังยังคงคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในใจตลอดพร้อมกับความสงสัยเนะะี่ยว่าถ้ามดตายตอนสองทุ่มแล้วห้าทุ่มเมื่อคืนตอนที่เล่นไพ่อยู่ใครโทรมาแต่เสียงเนี่ยคือเสียงของคุณมด คุณมดแน่ๆเรื่องสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องจากคุณเต้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะสําหรับที่มาเรื่องหลอนสยองขวัญค่ะและบีก็ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอดูค่ะหมอดูเขมร คุณเต้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของคุณเต้เองเมื่อปี2552ที่บ้านของคุณเต้เนี่ยได้ซื้อบ้านหลังใหม่แถวอุดมสุขซึ่งเป็นบ้านเหมือนทาวน์โฮมนะคะตอนนั้นก็ย้ายกันเข้าไปทั้งครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีตัวคุณเต้เองตอนย้ายกันเข้ามาเนี่ยในขณะที่ทุกคนต่างวุ่นวายยังไม่ค่อยมีอะไรลงตัวแต่ก็ต้องรีบย้ายนะคะเพราะว่าแม่ของคุณเต้เไปดูดวงมา แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเลือกดีเลือกมงคลให้รีบย้ายเข้าบ้านช่วงเวลานี้ซะย้ายเข้าพร้อมกับนาพระประธานเข้าบ้านวันและก็เวลาเดียวกันเลยนะในวันที่ย้ายเข้าบ้านนั้นนะคะแม่ก็ทำทุกอย่างตามที่หมอดูบอกหมดทุกอย่างโดยต้องให้ทุกคนเดินเข้าบ้านทีละคนตามลำดับสำหรับคุณเต้ตอนนั้นมองว่าไร้าสาระซึ่งคุณเต้เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะ พอทุกคนเข้ามาในตัวบ้านเสร็จแม่ก็ทำนู่นทำนี่ตามหมอดูแนะนำแล้วก็ให้ทุกคนอยู่บ้านกันสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนแยกย้ายคุณเต้ก็ไปเรียนพี่ชายก็ไปรับแฟนที่สนามบินคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไปดูงานกับลูกค้าคือก่อนอื่นคุณเต้บอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่แม่เนี่ยจะเป็นคนที่ต้องดูเรกงามยามดีทุกครั้งแม้กระทั่งวันและเวลาคลอดหลาน ที่เป็นลูกของพี่ชายเนี่ยและใครที่มาบอกแม่ว่าหมอดูคนนี้แม่นหมอดูคนนั้นแม่นไม่ว่าใกล้หรือไกลค่ะจะถูกหรือแพงแค่ไหนแม่ไปทุกที่และที่สำคัญแม่คุณเต้จะเป็นเหมือนพวกที่ชอบลองของด้วยว่าอย่างนั้นเถอะว่าที่นี่เนี่ยของจริงหรือของปลอมเพราะถ้าของปลอมแม่ก็ด่ากระเจิง คือที่บอกได้ละเอียดขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่แม่ไปดูดวงมักจะต้องมีคุณเต้ไปด้วยทุกครั้งเพราะว่าคุณเต้ต้องเป็นคนขับรถพาแม่ไปนะคะแต่ก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าหมอดูแม่นแม่นเก่งๆมีเยอะจริงๆโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดบางที่นะแม่นถึงขนาดบอกได้เลยว่าคุณเต้มีปานแดงที่ก้นข้างซ้ายไอ้เราก็นึกในใจว่าแอบเข้ามาดูในกางเกงเราหรือเปล่าหรือว่าแอบดูในห้องน้าเราหรือเปล่าเนี่ยและเรื่องของความสยองก็เกิดขึ้นค่ะ เมื่อมีคนมาแนะนำแม่บอกว่ามีหมอดูคนนึงเก่งมากเลยเป็นหมอขมันที่สำคัญนะค่าครูเนี่ยคือแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่จะให้พอแม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละค่ะรออะไรล่ะคะรู้ได้ทันทีเลยว่าพรุ่งนี้ก็ต้องโดดเรียนตามระเบียบเพื่อไปดูดวงเป็นเพื่อนแม่หมอดูคนนี้อยู่แถวนครนายกค่ะขับเข้าไปไกลพอสมควร ทางเข้าบ้านหมอดูเนี่ยเป็นเลนเดียวด้วยนะรถสวนกันไม่ได้และหน้าซอยเนี่ยจะมีคนของหมอดูคอยวอร์หาการเรื่องรถเข้ารถออกวันนั้นที่คุณเต้ไปแม่กับคุณเต้โดนหมอดูไล่กลับเพราะเขาบอกว่าถ้ามึงจะมาลองของกูไม่ดูให้ดอกคุณเต้บอกผมนี่งงเลยเพราะผมไม่ได้คิดอะไรแต่แม่ผมนี่สิกลับหน้าเสียแทนและในที่สุดคุณเต้กับแม่ก็ต้องกลับกันจริงๆ พูดง่ายๆคือเสียเที่ยวนั่นเองค่ะแต่อีกไม่กี่วันต่อมาแม่ก็บอกให้ไปเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแม่บอกว่าเขาโทรนัดกันกับทางตำหนักเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือให้ออกกันช่วงเย็นๆนะเพราะว่าหมอเขาให้เราเข้าไปดูช่วงค่าในขณะที่คุณเต้กับแม่กําลังขับรถเข้าไปนั้นนะคะคือทางมันค่อนข้างจะเปรี่ยวดูวังเวงแปลกๆเงียบๆไม่มีไฟสัดดวงเลย จากที่ส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยชื่อเรื่องพวกนี้ก็รู้สึกวันๆเหมือนกันนะพอไปถึงตำหนักเนี่ยแม่กับคุณเต้ก็เดินเข้าไปยังตำหนักก็ลอยก็เลยมองดูรอบๆ บ, บ, บ้านของหมอดูเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้านแล้วข้างในนี่มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโดยเฉพาะกุมารทองค่ะมีเป็นร้อยๆตัวเลยก็ไม่รู้ว่าใช้คําถูกหรือเปล่าถ้าหากว่าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สะดุดตาคือ มันเหมือนมีแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเป็นทรงกระบอกหัวหัวกลมๆ ม, มนๆสีดำๆแท่งใหญ่มากเต็มไปด้วยพวงมาลัยคือเมื่อเริ่มดูดวงหมอดูคนนี้ก็พูดเลยว่าบ้านที่มึงย้ายมาน่ะมีผีนะเป็นคนจรจัดมาตายในบ้านมึงคนหนึ่งแล้วก็เป็นผีผู้หญิงที่ตายตอนก่อสร้างอีกคนหนึ่งเว็บแรกเลยคุณผู้ฟังที่คุณเต้บอกรู้สึกคือผมกับแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขารู้ได้ยังไงวะเนี่ย ต่อโดยเรื่องอื่นอีกมากมายที่หมอพูดออกมาโดยที่แม่เนี่ยไม่ได้ถามเลยนะแล้วเขาก็จบด้วยคำที่ว่ากูแม่นไหมแม่ก้มหน้าลงและพูดแม่นค่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องจะคุยกับแม่ตามลำพังให้คุณเต้เ น, นี่ยออกไปข้างนอกก่อนคราวนี้แล้วค่ะคุณเต้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้แต่ไปนั่งรออยู่ในรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นแม่เนี่ยเดินกลับมาตาแดงๆเลยนะเหมือนร้องไห้มา คุณเต้ก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแม่แม่ก็เลยตอบว่าไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าระหว่างทางกลับเนี่ยแม่นี่เหมือนจะพูดอะไรงึมงำมาตลอดทางก็ได้ยินแต่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วนะข้ามสะพานเล็กๆนะแต่คุณเต้ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็ได้แต่รีบขับรถกลับบ้านเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วแต่คืนนั้นค่ะหลังจากที่ไปดูดวงมาก็เข้านอนตามปกติก็ฝันว่ามีผู้หญิงผมยา ว, ยาว เหมือนผีแพงในละครนี่แหละคือมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ลอยไปลอยมาคุณเต้ถึงกับสะดุ้งตื่นแล้วก็คิดว่าเออมันคงเป็นแค่ความฝันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นอนต่อแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะแม่ก็ไม่ไปดูดวงที่ไหนอีกเลยแล้วก็บอกคุณเต้เสมอบอกว่าเราได้ของดีมาแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วซึ่งตอนนั้นกิจการของครอบครัวก็ดีขึ้นจริงๆนะดีจนน่าตกใจจนเดือนนั้นแม่ออกรถใหม่อีกคันหนึ่งได้เลยทีเดียว แต่ว่าหลังจากนั้นอีก3เดือนค่ะมันมีอยู่คืนหนึ่งคุณเต้กลับมาบ้านตอนดึกโดยคืนนั้นแม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นพ่อ น, นี่ไปต่างประเทศส่วนพี่ชายก็ขึ้นไปอยู่กับแฟนที่เชียงรายเพราะว่าหลานพึ่งคลอดแฟนพี่ชายก็เลยอยากขึ้นไปอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณเต้เนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ้านของคุณเต้เองเนี่ยยังคงเปิดไฟอยู่ซึ่งปกติแล้วแม่จะเป็นคนที่ค่อนข้างนอนเร็วมาก2องทุ่มกว่าแม่ก็จะขึ้นนอนแล้ว แต่พอเดินเข้ามาในบ้านค่ะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือแม่กําลังเอามีดกรีดแขนตัวเองแล้วก็ร้องไห้พอแม่หันมาเห็นคุณเต้แม่ได้แต่ร้องแล้วก็บอกว่าช่วยแม่ด้วยผีมันจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยคุณเต้เห็นแค่นี้ก็แทบช็อกเพราะไม่คิดว่าแม่จะทําแบบนี้ก็เลยรีบวิ่งไปหาแม่แล้วก็พยายามดึงมีดจากมือของแม่ออกแม่ก็หันมามองตาขวางแล้วก็หวัวเราะพร้อมกับพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ออกมาฟังไม่รู้เรื่องอนะคะ แล้วก็หัวรอต่อคุณเต้กับแม่ก็ดึงมีดกันไปดึงมีดกันมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแม่แรงเยอะมากเลยนะแล้วสุดท้ายแม่ก็ดึงมีดกลับไปได้แล้วแม่ก็เอามีดแทงตัวเองต่อหน้าคุณเต้เลยคุณเต้ได้แต่แหกปากร้องเรียกให้คนมาช่วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านของคุณเต้เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ซึ่งยังไม่ค่อยมีใครย้ายเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างใหม่และก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกบ่อยมาก ในที่สุดค่ะแม่คุณเต้ก็จากไปแม่หยุดหายใจในขณะที่กําลังพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเลือดไหลามากเกินไปแล้วมีดที่แทงเข้าไปเนี่ยคือมันเข้าไปโดนจุดสําคัญพอดีหลังจากเกิดเรื่องค่ะคุณเต้ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้กับคนที่บ้านฟังคุณพ่อที่ไปดูงานที่ต่างประเทศก็รีบบินกลับมาทันทีและพี่ชายก็บินกลับมาเช่นกันเพื่อจะจัดงานศพให้กับแม่ของคุณเต้ หลังจากจบงานของคุณแม่แล้วคุณเต้กับพี่ชายก็บุกไปที่ตำหนักหมอดูที่ไปกับแม่เป็นที่สุดท้ายแต่แล้วสิ่งที่เจอคืคอบ้านเก่าๆที่มีคนอยู่เพียงคนเดียวก็ตรงเข้าไปเพื่อจะเอาเรื่องหมอดูคนนั้นว่าทำอะไรกับแม่เพราะว่าหลังจากมาดูดวงที่นี่แม่ก็ไม่ได้ไปที่ไหนอีกและแม่ก็ยังบอกว่าได้ของดีมาก็เลยอยากจะรู้ว่าหมอดูนี่เอาอะไรให้แม่ไป แต่แล้วหมอดูที่เจอในวันนั้นค่ะกลับเหลือเพียงรูปถ่ายที่ติดอยู่บนกําแพงเพราะว่าเขาเพิ่งเสียไปได้ไม่กี่อาทิตย์โดยคนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นเป็นแม่ของหมอดูนี่แหละบอกว่าลูกของเขาโดนคนหวังร้ายเอาผ้าถุงที่เปื้อนประจําเดือนมาคลุมหัวคือพวกมันเข้ามาทําเป็นเหมือนจะมาดูดวงะนะคะแล้วหลังจากนั้นในตอนกลางคืนลูกชายเขาก็มีอาการเดียวกันกับแม่ที่เป็นอยู่แม่ของหมอดูบอกว่าลูกของเขาเนี่ยโดนผีหงพผายที่เลี้ยงไว้ช่วยคนมาเอาชีวิต ตวงเขาเองก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าผีหงพลายคืออะไรแต่ทำไมมันต้องมาเอาแม่ไปด้วยแม่หมอดูก็เลยบอกว่าผีพวกนี้ช่วยเราได้ดีหากเราคุมมันได้หรือมีคนที่มีคาถาคุมมันอยู่มันก็จะเชื่อฟังแล้วก็ช่วยเราทุกอย่างแต่ลูกชายของเขาก็ไม่ได้จะให้หงพลายกับใครง่ายๆคือใครที่จะเอาหงพลายไปจะต้องรู้ถึงคุณแล้วก็โทษของมันก่อนที่จะเอาไปอยู่ด้วย ซึ่งแม่ของหมอดูขเขมนคนนี้เนะะี่ยค่ะก็ได้บอกกับคุณเต้ไปบอกว่าแม่ของหนุ่มก็คงต้องรู้แล้วแหละถึงกล้าเอาไปแม่ของหมอดูบอกให้กลับไปดูที่บ้านนะว่าแถวๆหน้าบ้านเนี่ยหรือว่าประตูรั้วมีขวดแก้วเล็กๆข้างในมีเส้นผมเศษดินแล้วก็น้ํามันสีเหลืองหรือเปล่าถ้ามีก็ให้เอาไปเผาที่วัดซะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะเอาคนอื่นไปอยู่ด้วย คุณเต้กับพี่ชายก็ได้แต่ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอดูเช่นกันค่ะจนสองคนนี้ก็ไม่กล้าจะเอาเรื่องกับแม่ของเขาเพราะว่าในขณะที่เขาพูดเขาก็น้ำตาคลอตลอด ตอนกลับนะคะเขาบอกว่าหนุ่มไม่ใช่แค่ครอบครัวแรกที่มหาเขาเขาพูดเหมือนเสียใจพร้อมกับบอกว่าเขาก็อยากฆ่าตัวตายแต่เขาทําไม่ได้เขาต้องอยู่รับกรรมในสิ่งที่ลูกเขาเคยช่วยคนอื่นในทางที่ผิดและสิ่งที่เขารับกรรมอยู่ก็คือการตายทั้งเป็นทั้งเสียลูกและยังต้องมารับหน้าแทนลูกที่ตายไปอีกคุณเต้กับพี่ชายก็รีบกลับบ้านค่ะแล้วก็ไปหาดูตามที่แม่ของหมอดูบอก ในที่สุดก็เจอขวดที่มีลักษณะเช่นนั้นจริงๆคุณเต้กับพี่ชายก็ไม่ได้รอช้าอะไรรีบเอาไปที่วัดแล้วก็จัดการอย่างที่แม่หมอดูคนนั้นบอกนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็ได้ขายไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่ไปจัดการเรื่องโหงพลายคนในบ้านก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องโหยหวนหน้าบ้านทุกคืนจนพ่อตัดสินใจขายแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้แทนและเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ส่วนจะเชื่อหรือไม่ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง และใครที่ไม่เชื่อก็ขอให้ฟังในเชิงของความบันเทิงจะดีกว่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณเต้ค่ะจากเรื่องหลอนสยองขวัญ น, นะคะที่เราขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นมาคนที่ชอบไปดูดวงนั่นนี่นู่นมากับหมอดูต่างๆเขาทักอะไรก็เชื่อไปหมดเลยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของ B แล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะ B อาจจะตอบไม่ทันหรืออาจจะไปกดหัวใจให้ไม่ทันแต่ B ก็มองเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ